สวรรค์อันเกิดจากการทำทานจะทำโดยพายยอดพรมสังวรยอดพรมและนงนุดยอดรลมสวรรค์มีอยู่หลายชั้นตามความแตกต่างกันแห่งบุญและเกณฑ์ที่ใช้วัดความแตกต่างแห่งบุญก็คือวิธีคิดทำบุญดังที่พระพุทธเจ้าทรงแจกแจงไว้ในทานสูตรอันนับเป็นแม่บท ในการจำแนกทานออกเป็นชนิดต่างๆศึกษาแล้วคุณจะได้เกิดความเข้าใจว่าต่อให้ยืนใส่บาดอยู่ในที่เดียวกันแค่คิดต่างกันผลก็ห่างกันลิบลับเป็นคนละภูมิจิตเป็นคนละชั้นสวรรค์กันแล้วประการที่หนึ่งคนบางคนให้ทานแบบหวังผลตอบแทนมีจิตแรงอยู่ว่าตนจะได้อะไรจากการให้ทานบ้าง จึงมุ่งสะสมทานให้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆด้วยความคิดว่าตายไปเราจะได้รับผลจากการให้ทานนี้เขาให้ทานเป็นข้าวน้ำผ้าพหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักประทีพแด่สมณะหรือพรามแล้วเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาาตุมหาราชพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ความหมายของพระพุทธเจ้าคือการทําบุญทําทานระดับต่ําสุดนับเอาที่การให้ด้วยความโลภนั่นเองความโลภอันเจืออยู่ในจิตจะทําให้คนเรามีอารมณ์เหมือนนักลงทุนผู้หวังกําไรมากกว่าจะเป็นนักสงเคราะห์ที่หวังประโยชน์สุขแก่ผู้รับทําบุญด้วยอาการหวังผลท่าเดียวเช่นนี้แม้ทําไปจนชั่วชีวิตด้วยข้าวของเงินทองมากมายปานใดจิตก็ยังหยาบ เหมาะควรกับการสวยบุญหยับๆอยู่ประการที่สองคนบางคนให้ทานโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่มีจิตเลงอยู่ว่าตนจะได้อะไรจากการให้ทานบ้างจึงไม่ได้มุ่งสะสมทานด้วยความคิดว่าตายไปเราจะได้รับผลจากการให้ทานเหล่านี้แต่ให้ก็เพียงเพราะรู้สึกดีที่ได้ให้เช่นนี้ เมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกความหมายของพระพุทธเจ้าคือทำบุญทำทานระดับสูงขึ้นมานับเอาที่น้ำใจให้เปล่าไม่หวังผลตอบแทนซึ่งก็เกิดปรากฏการทางจิตทันทีเป็นความสว่างว่างเบาสะอาดปราศจากยางเหนียวแห่งความตรณี นานไปหลังจากสะสมนิสัยให้เปล่าจนเป็นปกติแล้วก็จะรู้สึกถึงความไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังในการทำทานไม่คิดเอาหน้าเอาตาหรือกระทั่งสวรรค์ชั้นไหนเป็นรางวัลขอให้เข้าใจว่าในทางธรรมชาติจิตจะเบ่งบานเป็นกุศลเต็มดวงก็ต่อเมื่อส่งเคราะห์ผู้อื่นโดยปราศจากความโลภเจืออยู่ฉะนั้น ชั้นภูมิที่คู่ควรกับกุศลจิตอันปราศจากโลภะจึงเหนือระดับขึ้นมายิ่งกว่าสวรรค์ชั้นห ย, ยาบยาบอย่างจาตุมหาราชอันเกิดจากจิตที่ทำบุญด้วยโลภะประการที่สคนบางคนให้ทานโดยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยทำกันมาเราก็ควรสื่อประเพณีไม่ให้ขาดสายเช่นนี้ เมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามาพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกความหมายของพระพุทธเจ้าคือทำบุญทำทานในแบบที่เจืออยู่ด้วยความกตันยูสืบประเพณีของสกุลถือเป็นการยกระดับจิตขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งกล่าวคือให้ทานยังไม่มีความโลภด้วยแสดงความกตันยูด้วย นานไปก็ย่อมเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเราเป็นผู้ต่อบุญต่อกุศลต่อความสว่างต่อความหอมหัวให้แก่วงตระกูลจึงคู่ควรกับสวรรค์ที่เหนือชั้นขึ้นมาอีกประการที่สี่คนบางคนให้ทานด้วยความคิดว่าเราหุงหากินแต่สมณาพราหมณ์คือนักบวชทั้งหลายนั้น ท่านไม่หุงหากินกันถ้าเราไม่ให้แล้วพวกท่านจะได้จากไหนเช่นนี้เมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายห่งเทวดาชั้นดุสิตพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกความหมายของพระพุทธเจ้าคือทำบุญทาทานในแบบที่มีเจตนาอนุเคราะห์สนับสนุนการเป็นบรรพชิตเพื่อให้พวกท่านอบรมขัดเกลาจิตจนหลุดพ้นจากกิเลส นับเป็นการให้ทานยังไม่มีความโลภ ก, กับทั้งคิดส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้ศาสนาด้วยนานไปก็ย่อมเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเราเป็นผู้ช่วยให้พระศาสนาดำรงอยู่ได้จึงคู่ควรกับสวรรค์ที่เหนือชั้นขึ้นมาอีกเทียบแล้วถ้าหากคุณมีน้ำใจยิ่งใหญ่อยากเห็นคนทั้งเมืองหรือทั้งแผ่นดินได้ดีมีสุขได้ชีวิตที่มีคุณภาพ ก็จัดเป็นวิธีคิดให้ทํานองเดียวกันฉะนั้นจึงกล่าวว่าสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่ที่คู่ควรแก่เหล่าโพธิสัตว์ซึ่งบําเพ็ญบุญมาในทางช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตอนุเคราะห์อย่างแท้จริงประการที่หคนบางคนให้ทานด้วยความคิดว่าเราจะแจกทานให้เหมือนเหล่าฤาษีบูชาเทวดาด้วยเครื่องบวงสรวง มีดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นเช่นนี้เมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิ ม, มานอรดีพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกความหมายของพระพุทธเจ้าคือทำบุญทำทานด้วยใจเคารพสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกควรแก่การกราบไหว้บูชาประดุษเทพที่อยู่เหนือมนุษย์ นับเป็นการให้ทานอย่างไม่มีความโลภด้วยยกระดับจิตตนด้วยความนอบน้อมยิ่งต่อเบื้องสูงด้วยจึงคู่ควรกับสวรรค์ที่เหนือชั้นขึ้นมาอีกประการที่6คนบางคนให้ทานด้วยความคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและโสมนัสเช่นนี้ เมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรณิมิตะสวัสดีพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกความหมายของพระพุทธเจ้าคือทำบุญทำทานด้วยความร่าเริงเห็นเป็นงานอดิเรกอันบันเทิงจะทำขึ้นมาเมื่อใดเป็นต้องนึกครึ้มใจเห็นงานบุญเป็นงานสนุกสดใสาทางจิตกระทั่งเคยชินกับการให้ทาน เพื่อจะได้แสปีติจิตไม่ประกอบด้วยความโลภ ก, กับทั้งประกอบด้วยสมณะเต็มดวงใกล้เคียงกับสมาธิขั้นสูงจึงคู่ควรกับสวรรค์ที่เหนือชั้นขึ้นมาอีกประการที่7คนบางคนให้ทานด้วยความเป็นเครื่องตกแต่งจิตเช่นนี้เมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหม เมือ่อใดสิ้นกำลังส่งของบุญก็ไม่ต้องเป็นผู้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกความหมายของพระพุทธเจ้าคือผู้ทำทานยกชั้นการทำทานขึ้นเป็นการฝึกสมาธิและเจริญสติไปในตัวกล่าวคือทำทานอย่างมีสติรู้ว่าจิตกำลังถูกปรุงแต่งด้วยความคิดอยากให้ทานแบบไหนเป็นผลให้เกิดความชุ่มชื่นมากหรือน้อยเพียงใด ชุ่มชื่นแล้วกลับเป็นเฉยเฉยลงเมื่อไหร่หรืออย่างน้อยที่สุดทําทานจนชื่นบานแล้วก็รักษาความชื่นบานนั้นจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิกระทั่งเกิดสติจาแจ้งเห็นว่าจิตและวิธีปรุงแต่งจิตประการต่างๆเป็นเพียงอนัตตาไม่เที่ยงไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขา การจเจริญสติระหว่างให้ทานตลอดชีวิตก่อนตายบุญใหญ่นี้จะเอื้อให้มีสิทธิ์บรรลุธรรมได้สูงถึงระดับอนาคามีซึ่งแปลว่าผู้ไม่มาเกิดในภพที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางกามอีกอันที่จริงในทานสูตรนั้นโดยหลักแล้วเป็นไปเพื่อแสดงว่าผลที่ได้จากการเจตนาถวายทานแด่สงแบบใด คู่ควรแก่สวรรค์ชั้นไหนยังมีสูตรอื่นที่แสดงว่าความคับแคบหรือกว้างขวางของจิตก็มีส่วนก่อให้เกิดผลรอบที่แตกต่างกันมากด้วยเรามาดูตัวอย่างของจริงที่เกิดกับพี่น้องสองสาวซึ่งครั้งเป็นมนุษย์ก็ทำบุญเหมือนกันแต่ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นต่างกันเพียงด้วยการพลิกมุมมองผิดกันแค่นิดเดียวเรื่องนี้ มีมาในทัทธละวิมานเริ่มจากการที่เทพธิดาชั้นดาวดึงองค์หนึ่งนามว่าพัฒนาเพิ่งมาเกิดใหม่ในสวรรค์นางได้มาสำราญอารมณ์อยู่ในเขตรัศมีวิมานแห่งตนหลังผ่านประตูความตายจากโลกมนุษย์มาได้ไม่นานขณะกำลังเพลิดเพลินทำความรู้จักกับเหล่าบริวารหน้าตาสะสวยตลอดจนที่พยสมบัติอันบันดาลขึ้นจากกองบุญ ท่านใดโดยไม่คาดฝันก็ปรากฏร่างอันเป็นทิพย์ของนางเทพธิดาอีกองค์ผู้มีราศีพิลาศทำความตื่นตะลึงในยามแรกเห็นได้แม้ต่อสายตาของเหล่าถวยเทพด้วยกันหลังจากสางตะลึงนางพัทาเทพธิดาก็ไถ่าถามนางเทพธิดาผู้เรืองรองยิ่งว่าท่านรุ่งเรืองด้วยรัศมีทั้งเป็นผู้มีราศีแห่งเกียรติยศอันยิ่ง กลบรัศมีเทพเจ้าชาวดาวดึงทั้งหลายลงจนสิ้นเป็นความไพเราที่ดิฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจนถึงบัดนี้นี่ท่านมาจากเทวโลกชั้นไหนกันข้าแต่พี่พัททานี่พี่จำข้าไม่ได้หรอกหรือโอ้ท่านผู้สูงทรงประดุษฟังฟ้าของภาคพื้นดาวดึงชันไหนท่านจึงถ่อมองค์ลงมาเรียกชื่อเดิมเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ของดิฉันเล่าฆาแต่พี่พัฒทา ข้าคือสุภัทนาน้องสาวของพี่ผู้เป็นภริยาร่วมสามีเดียวกันอย่างไรเล่าพระพุทธาทรงโปรดแม่สุภัทนาน้องฉันนี่เป็นไปอย่างไรกันอย่าสงสัยเลยเจ้าข้าพี่พัทนาน้องเนี่ยเมื่อตายจากโลกมนุษย์มาแล้วก็ได้มาบังเกิดเป็นเทพธิดาประจําสวรรค์ชั้นนิมมานรดีเหนือจากดาวเดืองนี้ขึ้นไปแม้ยังคงระย่อในบารมีอันยิ่งใหญ่ แต่ใจของนางพัฒทาเทพธิดาก็ปีติล้นและรู้สึกคุ้นเคยเป็นกันเองกับอดีตน้องสาวแท้ๆทันทีดูก่อนแม่สุพัฒนาเธอยิ่งใหญ่เป็นจอมนางแห่งปวงเทพไปแล้วพี่ดีใจเหลือเกินขอเธอช่วยบอกพี่หน่อยเธอว่าการอุบัติของเธอในหมู่เหล่าเทพเจ้าเหล่านิ ม, มานรดีเป็นไปนด้วยเพราะมีบุญอันใดบรดาหรือ บุญที่ทำให้มาเกิดในชั้นนิมมานราดีก็คือบุญที่พี่พัฒนาทราบอยู่แล้วนั่นคือมีใจเริ่มใสถวายบิณฑบาตด้วยมือแห่งข้าเองด้วยสงผู้เป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้แปดรูปเพียงด้วยบุญ น, นั้นข้าก็ได้มีวันนะงามและมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเช่นนี้แล้วนางพัฒนาเทพธิดามีสีหน้ากังขาแล้วรีบซักทันที พี่ก็ได้เลี้ยงดูพระภิกษุทั้งหลายผู้สํารวมดีเป็นผู้ปฏิบัติโรงมจันทร์ให้อิ่ม้ําสํำราญด้วยข้าวและน้ําด้วยมือของตนเองแถมจะมากกว่าเธอเสียด้วยซ้ําแต่ทําไมพี่จึงได้บังเกิดในเทพเจ้าต่ำชั้นกว่าเธอละ่ะพูดก็พูดเธอเธอเองถวายทานเพียงเล็กน้อยไม่อาจเทียบกับพี่ที่ถวายบ่อยกว่าแต่เธอกลับได้ผลพิเศษภัยบูญยิ่งกว่าพี่ขนาดเนี้ยอะไรกันแน่ละ่ะที่เป็นเหตุปัจจัยของความแตกต่างระหว่างเรา นางสุพัทธาเทพธิดายังคงศพนินเนตกับเทพธิดาอดีตผู้เป็นพี่สาวแนวนิ่งคลางใช้ทิพยานอันแจ่มกระจ่างอ่านบุญเก่าของตนเปรียบเทียบกับบุญของพี่สาวแล้วไขข้อข้องใจว่าเมื่อชาติก่อนข้าได้เห็นพระภิกษุผู้อบรมทางจิตบรรลุธรรมสิ้นทุกสิ้นโศกเป็นพระอรหันต์แล้วจึงได้นิมนต์ท่านเหล่านั้นเป็นจานวนรวมแดรูป มีพระเรวะตะเถระเป็นประธานท่านพระเรวะัตะเถระเห็นข้ามุ่งถวายทานแต่ท่านเป็นหลักจิตใจคับแคบท่านจึงอนุเคราะห์ข้าด้วยความเอ็นดูด้วยการชี้ทางว่าแม่นางเอ้ยอย่ามัวแต่จุดจ้องด้วยความยินดีว่ามีโอกาสถวายทานแด่พระอรหันต์เพียงองค์เดียวเลยจงพิจารณาเสียใหม่เถ้าว่าสังฆทานที่เราทําเนี่ยเราให้แด่สงฆ์ไม่เลือกหน้าเป็นการสืบศาสนาโดยรวม ไม่ได้จำเพาะจอะ จ, จงเธ่รูปใดรูปหนึ่งที่เคารพขอแม่นางอย่าคิดว่าจะได้บุญมากจากการถวายรูปใดรูปหนึ่งเลยแท้ที่จริงการถวายสง์ต่างหากจะทำให้ใจเปิดกว้างไม่เล็งคับแคบอยู่เมื่อข้าฟังเช่นนั้นก็เกิดปีติด้วยความเข้าใจอันถูกต้องเป็นประโยชน์ทองแท้จึงตั้งจิตใหม่ว่าทานที่ข้าถวายนี้ เป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์แด่สงฆ์โดยรวมเพื่อให้พวกท่านได้มีกำลังกายกำลังสติในการสืบทอดพระศาสนากันต่อไปเจ้ามีได้เพิ่มเติมสิ่งใดในทานนั้นหรอกหรือท่านพี่เจ้าขาข้ามิได้เพิ่มเติมสิ่งใดลงไปเลยยิงเปลี่ยนมุมมองปรับเจตนาให้พระนีตเปิดใจให้กว้างขวางขึ้นเท่านั้นจากเดิมทานที่ถวายให้แด่บุคคลที่ข้าเคารพ จึงเปลี่ยนเป็นสังฆทานขึ้นมาทันทีก็อ่านว่าสังฆทานเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าไม่อาจประมาณว่ามีอยู่เท่าไรจะให้ผลสิ้นสุดเมื่อใดอย่างนี้เองพี่ได้ถวายทานแด่ภิกษุด้วยความเจาะจงว่าเราชอบใจเลื่อมใสในท่านนั้นท่านนี้ไม่เนื้เลยว่าจะทำให้จิตใจคับแคบนั่นแหละเจ้าขาท่านพี่ทานที่ท่านพี่ได้ถวายแด่ภิกษุ เป็นไปด้วยความเลื่อมใสารายบุคคลจึงมีผลไม่มากถ้าบุญแห่งค่านี้พี่เพิ่งรู้เดียวนี้เองว่าการตั้งจิตถวายสังฆทานคือการไม่เจาะจงยึดติดว่าจะต้องถวายพระรูปนั้นรูปนี้มีผลมากถ้าพี่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเห็นใจผู้ขอให้มากปราศจากความตรนีถวายสังฆทานและไม่ประมาทเป็นนิด แม้ทราบว่าเจตนาหนึ่งหนึ่งหรือก้ามหนึ่งหนึ่งจะให้ผลยาบหรือประณีตสว่างมากหรือสว่างน้อยกว่ากันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเลือกเจตนาดีที่สุดเพราะคนเราแกล้งปั้นจิตเอาไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นทนางสุพัตถาไม่ได้นับถือพระนับถือเจ้าไม่ได้พร้อมจะเชื่อฟังคำแนะนาจากพระเรวตตะหรือไม่เคยผ่านประสบการณ์ แจกไม่เลือกหน้าไว้ก่อนเป็นทุนก็คงไม่อยากเปลี่ยนวิธีคิดหรือต่อให้อยากเปลี่ยนวิธีคิดก็คงไม่อาจตั้งจิตได้ถูกหรือแม้ตั้งจิตได้ถูกก็คงขาดกำลังใจที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนชั่วชีวิตเรื่องของสองเทพธิดาพี่น้องนี้ยังมีความรูปลีกย่อยที่แสดงแทรกไว้อีกมากมาย เช่นดังที่ทราบแล้วจากทานสูตรว่าบุญอันเป็นเหตุให้ไปสู่ความเป็นสหายแห่งถวยเทพชั้นนิมมานรดีนั้นคือการยึดเอาเหล่าบุคคลผู้ควรแก่การบูชาประดุษเทพเป็นที่ตั้งของการถวายทานทั้งชีวิตและนี่เราก็ได้เห็นจากตัวอย่างของจริงคือเมื่อครั้งมีชีวิตเป็นนางสุพัทธาก็ได้รับคาสอนมาจากท่านเรวตะเทระว่า ถ้าตั้งจิตถวายทานแบบไม่เลือกหน้าจะให้ผลมหาศาลตามลักษณะแผ่ไปไม่มีประมาณของจิตเมื่อจิตและเจตนาของนางสุพัฒธาในครั้งเป็นมนุษย์เปิดกว้างความยึดติดบุคคลหายไปความรู้สึกเกี่ยวกับการทำทานก็แตกต่างนางเห็นสงด้วยความเป็นกลุ่มบุคคลศักดิ์สิทธิผู้ช่วยกันสืบสานศาสนาสมควรแก่การถวายทานให้ทั้งหมดทั้งมวล มีได้เห็นเพียงมนุษย์คนใดคนหนึ่งเป็นที่ตั้งตายตัวของการถวายทานจิตจึงน้อมถวายทานด้วยความรู้สึกสูงส่งและกว้างขวางกว่ากันมากราวกับบวงสรวงบูชาถวยเทพก็ไม่ปานความเป็นอยู่ของชั้นดาวดึงกับชั้นนิมมานนรดีจะแตกต่างกันเท่าไหร่ให้ยกไว้ก่อนมาดูความรู้สึกตั้งแต่เจอหน้ากันเลยดีกว่า สังเกตจากบทสนทนาระหว่างเทพทั้งสองชั้นนี่แล้วเราจะรู้สึกถึงความต่างระดับได้ตั้งแต่เมื่อปรากฏตัวให้เห็นกันเลยทีเดียวเปรียบไปคงเหมือนคุณเห็นคนตัวสูงใหญ่กว่าหน้ากลั่นครามแถมลักษณะดีน่านับถือมากมาคนเดียวให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่ราวกับมาเป็นกองทัพข่มให้คุณรู้สึกตัวจ้อยลงกว่าเดิมถ้าเช่นนั้น คุณคงแทบอยากฝากตัวเป็นลูกน้องตั้งแต่แรกเห็นเรื่องอนุภาพของเทพตลอดจนความยิ่งหย่อนเกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์แบบเทพเป็นเรื่องแทงใจยิ่งกว่าความน้อยหน้าในโลกมนุษย์มากว่ากันว่าเทพพยาดาจำนวนหนึ่งถึงกับกลั่นอัสาสะปัสสาสะขอจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยความปรารถนาจะบาเพ็ญบุญบา ร, รมีให้ตนมีความเรืองรองกว่าเดิม จะได้ไม่ต้องอยู่อย่างเทวดาผู้น้อยให้น้อยหน้าใครอีกก็ขนาดเป็นมนุษย์ที่เงินทองน้อยใช้แบบชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังยังยอมตัดใจจากลูกเมียจากถินที่อยู่บ้านเรือนไปทำงานต่างแดนแสนลำบากเพียงเพื่อจะได้หาเงินหาทองให้มากขึ้นแล้วเหล่าเทวดาที่รู้สึกน้อยหน้าอยู่จะไม่มีแก่ใจไปหามาเพิ่มกันบ้างหรือ อีกจุดหนึ่งที่น่ากล่าวถึงคือแม้เคยเป็นญาติกันในโลกมนุษย์แต่พอตายไปเป็นเทวดานางฟ้าก็อาจจำกันไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากฝ่ายหนึ่งไปอยู่ในชั้นภูมิที่เหนือกว่ามากๆหน้าตาไม่เหมือนเดิมเสียแล้วเพราะถูกตกแต่งด้วยบุญใหม่ให้ต่างจากบุญเก่าไปเป็นคนละเรื่องตรงนี้น่าจะเป็นคาตอบสาหรับข้อสงสัยของหลายๆคนได้ว่า เป็นเทวดานางฟ้าจะหน้าตาเหมือนเมื่อรังเป็นมนุษย์หรือเปล่าดูจากนางสุพัฒนาเทพธิดาขนาดบอกพี่สาวว่าตนเคยเป็นน้องพี่สาวยังทำท่าเหมือนจะไม่เชื่อเอาด้วยซ้ำการมีรูปร่างหน้าตาผิดแพกแตกต่างไปมากๆในระดับข้ามพบข้ามภูมิแล้วถือว่ามีนัยยะสำคัญเพราะรูปร่างหน้าตาคือนิมิตหมายของกรรมโดยรวม อย่างเช่นที่นางสุภัทธาได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงก็เพราะเด่นในเรื่องการทำสังฆทานอย่างถูกวิธีซึ่งพอเห็นรูปร่างหน้าตาอันเป็นทิพย์ของนางแล้วคนอื่นรู้สึกสว่างมากหน้าเรื่มใสมากแม้แต่ญาสนิทซึ่งเป็นถึงหญิงร่วมสามีกันยังจําไม่ได้ก็น่าจะบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าบุญล่าสุดยกระดับนางให้สูงห่างจากบุญเดิมไปมากทีเดียว ถึงตรงนี้หลายคนมักสงสัยว่าทานเป็นสิ่งที่ต้องทำกับพระถวายปัจจัยสีให้พระเท่านั้นหรืออันนี้ขอให้ดูที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในับระสูตรอย่างชัดเจนคือเรากล่าวว่าแม้ผู้ใดสรดน้ำล้างภัชนะหรือน้ำล้างขันไปที่บ่อน้ำครามหรือในบ่อโสโครกข้างประตูบ้านซึ่งมีสัตว์อาศัยอยู่ด้วยความตั้งใจว่า สัตว์ที่อาศัยแหล่งน้ำนั้นจะดำรงชีพอยู่ได้ด้วยเศษอาหารในภาชนะเพียงเท่านี้ก็เป็นเหตุเป็นที่มาแห่งบุญแล้วข้อแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญคือคนและสัตว์ทั่วไปไม่ได้สร้างความรู้สึกศักดิก์สิทธิ์ขึ้นในใจคุณการให้อาหารหนึ่งอิ่มแก่คนและสัตว์จึงไม่อาจเทียบเท่าการถวายพัตนาหารหนึ่งมือ้อแด่ภิกษุสงฆ์ หรือนักบวชที่ดูหน่าเลื่อมใสเช่นนี้เองถ้าสะสมบุญด้วยการถวายทานแดสมณะจึงให้ความรู้สึกเป็นบันไดสวรรค์มากกว่าแล้วว่ากันโดยธรรมชาติของผู้รับก็เป็นเครื่องขยายผลบุญต่างกันจริงๆเหมือนคุณลั่นระครังใหญ่ด้วยแรงเท่ากันกับลั่นระครังเล็กอย่างไรก็ต้องได้ยินเสียงของระครังใหญ่ดังกว่าอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามการเอาแต่จ้องจะถวายทานแด่สมณะไม่คิดให้ทานกับมนุษย์และสัตว์อื่นเลยนานไปก็อาจกลายเป็นความโลภอยากเอาผลลัพธ์เล็งแต่ว่าจะทำบุญกับนาบุญใหญ่ๆใจคอก็จะคับแคบไม่รู้จักให้ในความหมายของการให้จริงๆเลยวิธีแกะเอาความโลภและความตรนีออกจากจิตได้ดีที่สุด ก็คือการให้ทานอย่างครบวงจรให้เพราะอยากให้ให้จนรู้สึกดีกับการให้เปล่าให้จนเข้าใจจริงว่าจิตที่คิดให้นั่นเองคือสวรรค์นบนดินที่เข้าถึงได้ก่อนตาย